วันนี้เป็นวันศุกร์ที่สิบเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นวันที่ได้มาพบกับศรัทธาญาติโยมการอีกครั้งหนึ่งหวังว่าทุกท่านที่ กำลังติดตามการถ่ายทอดสดนี้แค็งากาดปลอดภัยจากโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในขณะ น, นี้เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนั่นเองอโรคยาปารมาราพา เป็นคำพูดสัจธรรมความจริงที่มีคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าได้ส่งตรัสไว้ตั้งแต่สองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความจริงเมื่อสองพันห้าร้ยหกสิบกว่าปีมาแล้ว ก็ยังเป็นความจริงในปัจจุบันนี้ไม่มีใครอยากมีโรคภัยไข้เจ็บกันเพราะโรคภัยไข้เจ็บนำมาสู่ความหายนะทางเศรษฐกิจนั่นเอง <Yeah. S 1> เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บ <Yeah. S 1> ก็ไปทำงานหาเงินหาทองไม่ได้ yeah. <Yeah. S 1> แล้วยังต้องเสียค่ารักษาพยาบาล เป็นการเสียทรัพสมบัติแทนที่จะได้ทรัพ ส, สมบัติจากการไปทำงานก็ไม่ได้ไปทำงานเราอย่างต้องมาเสียทรัพในการรักษาพยาบาลดังนั้นการไม่มีโรคจึงเป็นลาภอันประเสริฐอรวยาบารมาลาภา เนสัจธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นทรงทราบมาก่อนพวกเราพวกเราจรึงควรที่จะน้อมเอาสัจธรรมความจริงอันนี้มาสอนมาเตือนใจพวกเราให้พวกเรารักษาสุขภาพร่างกาย ไว้ให้ดีอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยโดยการปรับพติปฏิบัติตามคำสั่งของทางรัฐบาลผู้ที่มีหน้าที่ที่จะมาต้องกันการแพร่ระบาด ของโลคระบาด ท, ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะ น, นี้ถ้าเราทำตามคำสั่งเราก็จะปลอดภัยจากโรคที่กำลังระบาดอยู่ในขณะ น, นี้ถ้าเราไม่ทำตามคำสั่งเราออกไปนอกบ้านโดยไม่จำเป็นไปคุกคีกัน ไปทากิจกรรมร่วมกันที่ไม่สำคัญไม่ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องทำก็จะทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อโรคเป็นไปอย่างกว้างขวา ง, วางทำให้มีผู้ที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและล้มตายกันไปเป็นจำนวนมากแต่ถ้าพวกเราทุกคน เชื่อฟังคำสั่งของทางราชการที่ให้เราอยู่กันในบ้านอย่าออกไปนอกบ้านโดยไม่มีความจำเป็นในขณะนี้แม้แต่การทำงานถ้าเป็นการเสี่ยงต่อการไปรับเชื้อโรค ก, ก็ไม่ควรที่จะไปให้ไปแต่เฉพาะ งานจำเป็นเช่นการไปหาอาหารมาเรี่ยงปากท้องเรื่องการบันเทิงเรื่องการหาความสุขต่างๆในขณะนี้ควรจะงดไว้ชั่วคราวก่อนรักษาสุขภาพร่างกายให้ปลอดภัยจากโรคภัยค่าเจ็บก่อน แต่การรักษาสุขภาพร่างกายนี้ก็เป็นมาตรการแก้ปัญหาแบบชั่วคราวไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างถาวรเพราะเราแก้ปัญหาเรื่องของโรคภัยที่ระบาดใน ต, ตอนนี้ได้ เดี๋ยววันข้างหน้าก็มีโรคอย่างอื่นรอต้อนรับเราอยู่เพราะร่างกายของเรานี่เป็นที่อยู่ของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นเองอวัยวะต่างๆของร่างกายของพวกเราก็ต้องมีวันเสื่อมโทรมลงไปเมื่อเกิดการเสื่อมโทรมก็จะเกิด โรคของอวัยวะต่างๆตามมาเช่นโรคหัวใจโรคปอดโรคไตโรคตับโรคสมองโรคอะไรต่างๆนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่จะต้องมีการเกิดขึ้นไม่ว่าใครก็ตาม เมื่อมาเกิดมามีร่างกายแล้วก็หนีพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บไปไม่ได้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้มาตบอดว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาลวงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีการตายเป็นธรรมดาลวงพ้นความตายไปไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดา ลงพ้นจากการพัดพากจากกันไปไม่ได้ไม่ว่าเราจะทําอย่างไรก็ตามเราก็จะทําได้แบบชั่วคราวแก้ปัญหาได้แบบชั่วคราวแก้ปัญหารักษาโรคนี้ได้เดี๋ยวก็ไปเจอโรคใหม่ก็รักษากันไป รักษาไปในที่สุดก็จะเป็นใจโรคที่รักษาไม่ได้ก็ต้องตายไปในที่สุดถ้าเราแก้ปัญหาทางร่างกายเราก็จะแก้ได้เป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวไปแต่เราก็จะต้องแก้ไปเรื่อยๆ เ, เพราะว่าเราไม่ได้ไปแก้ต้นเหตุ ของปัญหาต้นเหตุของปัญหานี้อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจที่มาเกิดมามีร่างกายกันมาพอมีร่างกายก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายกันทุกครั้งไปเมื่อร่างกายตายไปแล้ว ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็จะกลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่เพราะใจมีเหตุที่พาให้ใจมาเกิดกันมามีร่างกายกันถ้าเราจะแก้ปัญหาเราต้องไปแก้ปัญหาที่ใจปัญหาของใจก็คืออวิชชา ความไม่รู้โมหะความหลงคือไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีปัญหานี้อยู่ที่ไหนก็เลยทำให้ไปหาความสุขแบบที่มีปัญหาคือความสุขผ่านทางร่างกายนี้เอง ใจต้องมีร่างกายเพราะใจคิดว่าเวลามีร่างกายแล้วใจจะได้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาญต่างๆได้นั่นเองการจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาญชนิดต่างๆได้ใจต้องมีตาหูจมูกริ้นกายนั่นเอง และสิ่งที่มีตาหูจมูกนิ้นกายก็คือร่างกายนี้เองนี่คืออวิชชาความไม่รู้ความจริงว่าความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีปัญหาตามมานั้นอยู่ที่ไหนก็เลยไปหลงคิดว่าความสุขนั้นอยู่ที่ รูปเสียงกินก่นลดโผฏฐพะชนิดต่างๆจึงไปหาร่างกายกันพอได้ร่างกายแล้วก็จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายกันแต่พอมีร่างกายแล้วก็ต้องเจอปัญหาต่างๆ ที่มากับร่างกายปัญหามีหลากหลายด้วยกันปัญหาปากท้องก็เป็นปัญหาอย่างเมื่อมีร่างกายแล้วก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ต้องหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายให้ร่างกายแข็งแรงให้ร่างกายมีกำลังวังชาที่จะ ไปหารูปเสียงกลิก่นรสผดภพชนิดต่างๆมาให้ใจได้เสษได้สัมผัสให้เกิดความสุขจากการเสดสัมผัสรูปเสียงกลิก่นรสธรรมผดภพชนิดต่างๆเหล่านั้นนี่คือปัญหาเบื้องต้นคือปัญหาปากทอง ต้องเรียงดูร่างกายทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาก็ต้องหาของกินกันนะหาของเดิมกันแล้วก็ต้องออกไปทำมาหากินน้องไปหาเงินหาทองที่เป็นปัจจัยเป็นเครื่องมือในการที่จะไปซื้อของจำเป็นต่างๆ ซื้อที่อยู่อาศัยซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มซื้ออาหารซื้ อ, อยารักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่เป็นความทุกข์พื้นฐานที่เกิดมาที่ตามมากับการมีร่างกายนอกจากนั้นยังมีทุกข์อย่างอื่นอีก ท, ท, ทุกที่เกิดจากภัยภายนอกทุกที่เกิดจากภัยธรรมชาติต่างๆมีภัยทางน้ำน้ำท่วมภัยทางลมพายุภัยทางไฟไฟไหม้บ้านเรือนต่างๆภัยจาก แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มนอนอกนั้นก็ยังมีภัยจากบุคคลที่ไม่หวังดีเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่แหละอยู่ด้วยกันก็ยังมาเบียดเบียนกันมาทํำลายกันมาทําลายกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ยังมีภัยจากสัตว์เดรัจฉานชนิดต่างๆ แล้วก็ภัยจากเชื้อโรคต่างๆที่จะมาคอยทำร้ายร่างกายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังมีภัยที่ติดมากับการมีร่างกายคือภัยของความแก่ภัยของความเจ็บไข้ได้ป่วยและภัยของความตาย นี่คือภัยต่างๆหรือปัญหาต่างๆที่จะตามมาถ้าเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราให้กับใจใจกับเรานี้เป็นอันเดียวกันเราคือใจใจคือเราเราเป็นผู้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเรา แล้วร่างกายก็หาความทุกมาให้กับเราด้วยนี่ไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขที่ที่ ด, ทดีที่ถูกต้องแต่เนื่องจากความไม่รู้คืออวิชชาหรือโมหะความหลงที่ไปหลงคิดว่าความสุขอยู่ที่การได้เสพ รูปเสียงกลิ่นรสผลทพชนิดต่างๆจึงพาให้ใจต้องไปคอยหาร่างกายมาเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับใจแล้วก็มาเจอกับปัญหาต่างๆที่เกิดจากการมีร่างกายแล้วเราก็ต้องมาคอยแก้ปัญหากัน ชีวิตของเรานี่เก้าสิบเอร์เซนอยู่กับการแก้ปัญหาสิบเอร์เซนนี้อยู่กับการหาความสุขจากการมีร่างกายชีวิตเราส่วนใหญ่จึงอยู่กับความการแก้ปัญหาต่างๆแก้ปัญหาปากท้องแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ แก้ปัญหาภัยจากบุคคลมิจฉาชีพทั้งหลายแก้ปัญหาจากภัยของสัตว์ร้ายสัตว์เบบชานแก้ปัญหาจากภัยของของเชื้อโรคต่างๆแล้วก็มาแก้ปัญหาของสุขภาพของร่างกาย ที่จะต้องแก่ไปตามวัยตามเวลาแล้วก็มาแก้ปัญหาของโรคภัยไข้เจ็บของอวัยวะต่างๆของร่างกายแล <Yeah. S 1> ้วไม่ว่าจะแก้อย่างไรทำอย่างไรในที่สุดก็ก็ต้องพบกับความตายกัน <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ชีวิตของพวกเรานี่จึงถือว่า เป็นชีวิตของความทุกข์มากกว่าความสุขนะความสุขที่เราได้รับจากการมีร่างกายนี้อาจจะเป็นเพียงสิบร้อยละสิบเท่านั้นส่วนร้อยละเก้าสิบนี้เป็นความทุกข์ที่จะต้องคอยมาแก้ปัญหาต่างๆอยู่เรื่อยๆอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันตาย แต่พวกเราเป็นพวกที่มีไม่มีปัญญาไม่รู้วิธีที่จะแก้ปัญหานี้อย่างไรเราต้องอาศัยคนที่ฉลาดซึ่งนานๆจะมาเกิดในโลกนี้สักครั้งหนึ่งสักคนหนึ่งในยุคสมัย ของพวกเรานี้เราก็โชคดีได้มาพบกับบุคคลที่ฉลาดถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบกับตัวของท่านเองแต่ท่านก็ทิ้งผู้แทนของท่านไว้มาเป็นที่พึ่งของพวกเรามาสอนมาบอกพวกเราวิธี แก้ปัญหาที่พวกเรากำลังแก้กันอยู่ในขณะ น, นี้แก้กันไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดแก้ปัญหานี้แล้วเดี๋ยวก็มีปัญหาใหม่ตามมาอยู่เรื่อยๆตายจนกว่าจะถึงวันตายปัญหานั้นก็จะหมดไปชั่วคราวแต่เดี๋ยวพอหลังจากที่ตายไปแล้ว เราก็ไปเกิดใหม่กันอีกเพราะเรายังมีความเห็นมีความคิดว่าความสุขอยู่ที่การเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชชนิดต่างๆนี่เองมันก็จะพาให้เรากลับมามีร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่แล้วก็ต้องมาแก้ปัญหาต่างๆอีกรอบหนึ่ง แล้วก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับคนฉลาดหรือตัวแทนของคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้าพวกเรานี่อยู่ในยุคที่ มีผู้รู้ผู้ฉลาดหรือมีตัวแทนของผู้รู้ผู้ฉลาดคือพระอาารันตสาวุก ข, ของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกที่จะมาสอนมาบอกวิธีแก้ปัญหาแบบท้าวอนแก้ปัญหาแบบ ครั้งเดียวจบไม่ใช่มาแก่บาปที่เราพวกเราแก้กันอยู่ในขณะ น, นี้การแก้ปัญหาของพวกเรานี้แก้แบบชั่วเขาว่าแก้แล้วก็เดี๋ยวปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกแก้มาเป็นเวลาอันยาวนานแล้วการแก้ปัญหาแบบของเรานี้พาให้เรากลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อย การมาเกิดของพวกเรานี้มีจำนวนมากมายนับนับไม่ได้ว่ามีมากน้อยเท่าไหร่ประมาณได้ด้วยการเอาน้ำตาที่เราหลังในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ถ้าเราเอาน้ำตาที่เราหลังในแต่ละภพแต่ละชาติมารวมกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า น้ำตาของพวกเรานี้มีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่แหละคือวิธีแก้ปัญหาของพวกเราแก้กันไปแล้วก็ต้องมาร้องร้องห่มร้องไห้กันไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าจะต้องแก้อย่างนี้ต่อไปอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มา พบกับคนฉลาดคือพบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระอาริยสงสาวกทั้งหลายและพระธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเองที่ได้ทรงตัดสอนไว้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันมีจำนวนประมาณ 84,000 บทด้กันที่ได้มีการบันทึกเก็บไว้ในพระไตรปิฎกคำภีของพระพุทธศาสนาถ้าผู้ใดสามารถศึกษาจากพระคำภีได้ก็จะได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาแบบ ถ, ถาวรหรือถ้าไม่สามารถเข้าศึกษาจากพระไตรปิฎกได้ แต่ได้มีโอกาสได้พบกับพระสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าก็จะได้เรียนรู้จากพระสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าวิธีที่จะแก้ปัญหาแบบถาวรได้วิธีแก้ปัญหาแบบถาวร น, นี่ตามหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องแก้ที่ใจ แก้ที่ความหลงแก้ที่อวิชชาความไม่รู้แก้อวิชชาด้วยความรู้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมเอาธรรมความรู้ของพระพุทธเจ้ามาแก้ความไม่รู้มาแก้ความหลงความเห็นผิดเป็นชอบความเห็นผิ ด, ผดเป็นชอบต้องแก้ด้วยความเห็นถูก คือสัมมาทิฏฐิโมหะคือความหลงความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าความสุขอยู่ที่รูปเสียงกลินพพ่นรสผุถพะแต่ความจริงนั้นความสุขอยู่ที่ใจอยู่ที่ความสงบถ้าใจสงบใจก็จะมีความสุขแล้วก็เป็นความสุขที่ไม่มีปัญหาตามมา เพราะใจนี้ไม่มีปัญหาใจไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใจไม่มีความแก่ใจไม่มีความตายใจไม่ต้องมีปัจจัยสี่ไม่ต้องมีอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่ว่าใส ย, ยารักษาโรคถ้าใจมีความสงบแล้ว ใจจะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญเหนือกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกิริยลดโปรถภาชนิดต่างๆนี่แหละคือวิชารุอ ธ, ธรรมความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดจาระที่จะเอามาใช้ ก้ปัญหาที่พวกเรากาลังก้กันอยู่ในขณะนี้ที่ก้าไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันจบต้องเอาความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสโชรมีมาแก้คือต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันใหม่อย่าหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปวัทพะ เพราะจะต้องมีร่างกายให้มาหาความสุขที่เกิดจากความสงบด้วยการมาปฏิบัติธรรมกันมาเจริญสติมาเจริญปัญญาที่จะทำให้ใจสงบเมื่อใจสงบแล้วใจจะมีความสุขและเป็นความสุขที่จะทำให้ ไม่ต้องไปอาศัยร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องใยหาความสุขจากรูปเสียง ก, กลิ่นรสผลทพะเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าเหนือกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียง ก, ก, กลิ่นรสผลทพะเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันสิ้นสุด ไม่มีวันหมดต่างกับความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นเหมือนความสุขแบบควันไฟเราคงเห็นควันไฟกันเก็ไฟดูพอมีควันขึ้นมาเดี๋ยวไม่นานควันนั้นก็ละลายหายไปในอากาศความสุขต่างๆที่เราได้รับจากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะ ก็เป็นแบบนั้นเราไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงไปกินไปดืม่มไปลิ้มรสดมกลิ่นไปสัมผัสกับอะไรต่างๆมาความสุขที่เราได้ก็ได้ชั่วขณะตอนที่เราไปเสพไปสัมผัสกันพอผ่านไปความสุขเหล่านั้นก็จางหายไป ให้เราเป็นเหมือนตอนที่เราไม่ได้ออกไปเที่ยวกันเวลาอยู่บ้านเราก็จะรู้สึกว่างๆขาดความสุขพอเราออกจากบ้านไปเที่ยวไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเราก็เกิดความสุขกันเดี๋ยวพอเรากลับมาบ้านความสุขต่างๆที่เราได้ จากการไปเที่ยวจากการไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานก็จางหายไปหมดแต่ความสุขที่เราจะได้จากความสงบนี้มันจะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ ด้วยการทําใจให้สงบแล้วก็รักษาความสงบนั้นให้อยู่ไปอย่างถาวรด้วยการทําลายเหตุที่จะมาทําให้ความสงบที่เกิดขึ้นในใจนี้หายไปพอสิ่งที่มาคอยทําลายความสงบของใจนั้นถูกทําลายไปหมดะ ใจก็จะสงบตลอดเวลาจะมีความสุขตลอดเวลาใจที่มีความสงบมีความสุขตลอดเวลาก็เป็นใจที่ไม่ต้องไปพึ่งร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพาไปหาความสุขต่างๆไม่ต้องกลับมาเกิด เมื่อไม่มาเกิดก็ไม่ต้องไม่มาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากกันทุกข์ก็จะไม่มีสําหรับผู้ที่ไม่มาเกิดทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นและการที่จะไม่มาเกิดได้ก็ต้องมีความสงบ ที่จะทําให้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงขึ้นมาพอมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะไปหาความสุขจากสิ่งอื่นๆอีกต่อไปเพราะความสุขจากสิ่งอื่นๆสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้นี่อนี่แหละคือความรู้ของพระพุทธเจ้า ที่ได้ส่งตัดสรุปได้ส่งคนพบวิธีที่จะแก้ปัญหาแบบถาวนด้วยการไม่ต้องมาเกิดกันนั่นเองเมื่อไม่มาเกิดแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องปากท้องไม่ต้องมีปัญหาเรื่องภั ย, ภยธรรมชาติไม่มีปัญหาเรื่องภัยจากมนุษย์และสัตว์ในราชาทั้งหลาย ไม่มีภัยจากเชื้อโรคชนิดต่างๆไม่มีภัยจากความแก่จากความเจ็บไข้ได้ป่วยของอวัยวะต่างๆของร่างกายไม่มีภัยที่เกิดจากความตายไม่มีภัยที่เกิดจากการพัดพากจากกันนีละเป็น โชคอันมหาศาลของพวกเราชาวพุทธพุทธบริษัทสีภิกษุภิกษุณีสัมมาเนอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ได้มาพบคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อเกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา ฉันทะคือความยินดีที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเชื่อว่าเป็นคำสอนที่จะพาไปสู่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรและก็เป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรด้วยเพราะเป็นความสุขแบบไม่มีปัญหาตามมา เมื่อมีความเชื่อแล้วก็จะมีฉันทะความยินดีที่จะนำเอาไปปฏิบัตินำเอาคำสั่งคำสอนของพระ พ, พุทธเจ้าไปปฏิบัติเมื่อเมื่อมีความยินดีก็จะเกิดมีวิริยะขึ้นมาวิริยะก็คือความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรนี่เอง ขยันหมั่นเพียรที่จะสร้างความสงบขึ้นมาภายในใจให้ได้เพราะเชื่อว่าเมื่อมีความสงบแล้วจะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่จะทําให้ไม่ต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องไปมีร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องไปทุกข์กับการมีร่างกายอีกต่อไป ก็จะมีความขยันหมั่นเพียรที่จะทุ่มเทอชีวิตจิตใจก็จะมีฉันทะฉันทะก็คือความทุ่มเทนี้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติกับการศึกษาถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องศึกษาก่อนเมื่อศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วไปถึงจุดที่ไม่เข้าใจก็มาศึกษาใหม่เพราะเป็นเหมือนกับการเดินทางไปในทางที่เราไม่เคยไปมาก่อนจำเป็นจะต้องคอยเปิดดูแผนที่อยู่เรื่อยๆก่อนออกเดินทางแล้วก็เปิดดูแผนที่ว่าจากบ้านเราเราจะต้องไปเส้นทางไหนพอไปถึงเส้นทางพอไปถึงจุดหนึ่ง แล้วไม่รู้ว่าจะต้องไปทิดไหนต่อก็เปิดดูแผนที่ใหม่พอไปถึงจุดที่ไม่รู้ว่าจะต้องไปทิศทางไหนต่อไปทางซ้ายไปทางขวาหรือตรงไปก็ต้องเปิดดูแผนที่ต่อการปฏิบัติก็เป็นแบบนี้ต้องมีการศึกษาควบคู่ไปกับการปฏิบัติไม่ใช่ศึกษาแบบอย่างเดียว ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วค่อยไปปฏิบัติเพราะว่าจะจำไม่ได้เพราะรายละเอียดของการปฏิบัตินี้มีมากและไม่ควรที่จะต้องไปรู้มากกว่าเท่าที่ควรจะรู้รู้ในขั้นที่เราจำเป็นต้องรู้ขั้นแรกต้องรู้อะไรเราก็นํเอาไปปฏิบัติพอได้ขั้นแรกแล้ว ขั้นที่สองต้องทำอย่างไรเราก็เอาไปปฏิบัติไปไปศึกษาก่อนคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แบ่งไว้เป็นขั้นขั้นขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาขั้นศีลก็มีหลายขั้นด้วยกันเพราะเรามีกำลังความสามารถที่จะรักษาศีล ได้มากน้อยต่างกันสำหรับผู้เริ่มต้นนี้กำลังที่จะรักษาศีนย่อมมีน้อยแต่พอได้รักษาศีนไปเรื่อยๆก็จะมีกำลังที่จะรักษาศีนเพิ่มได้มากขึ้นไปแะจะได้ปฏิบัติสมาธิปัญญาได้มากขึ้นไปตามลำดับสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ ยังอาจจะไม่สามารถรักษาศีแปดได้เลยก็เอาศีห้าให้ได้ก่อนเอลองรักษาศีห้าให้ได้ก่อนอแล้วก็ฝึกสมาธิเป็นบางเวลาไปก่อนเช่อนอาจจะมีเวลาว่างวันครัง้งสองครั้งเช่นการ น, นอนหรือหลังจากตื่นขึ้นมาตอนเช้า ก็ใช้เวลานั้นเป็นการฝึกสมาธิฝึกปัญญาไปทำแบบเล็กๆไปน้อยไปก่อนเหมือนกับเด็กอนุบาลเวลาเข้าโรงเรียนอนุบาลนี้ครูเขาจะไม่สอนให้เด็กมากเกินไปสอนเล็กๆน้อยๆให้เด็กในสิ่งที่เด็กทำได้ไปก่อนสอนให้หัดนับหนึ่งสองสาม สอนให้ท่องกอไก่ขอไข่สอนให้รู้จักเวลาว่าเวลานี้ให้ทําอะไรเวลานี้ให้ทําอะไร <Yeah. S 1> แล้วพอโตขึ้นอีกหน่อยมีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมก็จะสอนเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับ <Yeah. S 1> สําหรับผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติเริ่มต้นก็ลองมา อัดรักษาสีห้ากันก่อนแล้วก็จะได้มีกำลังที่จะไปฝึกนั่งสมาธิได้เพราะว่าถ้าเราไม่รักษาสีห้าเช่นเรายังดื่มสุรายาเมาอยู่การจะไปฝึกสมาธินี้มันจะสวนทางกันการเสพสุราจะทำให้เราไม่มีสติ ทำให้เราไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบได้การจะทำใจให้สงบนี้จะต้องมีสติที่สามารถควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่จะทำให้ใจนิ่งทำให้ใจสงบเช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรืออยู่กับการดูลมหายใจเข้าออก อันนี้สามารถเริ่มต้นปฏิบัติได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เลยคืนนี้วันนี้เลยลองเว้นถ้าเคยดื่มโุราลองอย่าดื่มโุราดูแล้วก็จะไม่มีอาการมึนเมาแล้วก่อนนอนก็ลองนั่งสมาธิดูสักห้านาทีสิบนาทีไปก่อนนั่งแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไป เล่ดูลมหายใจเข้าออกไปก่อนนะลองทำจากเล็กๆน้อยๆไปก่อนเพราะถ้าไม่ลองมันจะไม่รู้วิธีทำต้องพยายามเริ่มต้นให้ได้ถึงแม้ว่าจะเพียงห้านาทีสิบนาทีจะได้รู้ว่าเวลานั่งแล้วต้องนั่งอย่างไรต้องทำอย่างไร ต้องนั่งแล้วต้องมีสติกำกับใจมีอารมณ์กำกับใจไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ใจอยู่กับคําปริกรรมพุทโธพุทโธนั่งหลับตาถ้านั่งขัดสมาธิได้ก็นั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิไม่ได้นั่งพับเพียบได้ก็นั่งพับเพียบแทนก็ได้นั่งพับเพียบไม่ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ นั่งขอบเตียงก็ได้การปฏิบัตินี้เป so ็นการปฏิบัติบูชาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการมีพระพุทธรูปไม่ต้องเกี่ยวกับการมีธูปเทียนดอกไม้ไว้บูชาการนั่งสมาธินี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาไม่ต้องกังวลว่าจะต้ sure. right> ะองจุดธูปเทียนก่อน ไม่จำเป็นว่าจะต้องหาดอกไม้มาบูชาไม่จำเป็นจะต้องมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ในห้องอันนั้นเป็นเรื่องของอมิสบูชาเรื่องของปฏิบัติบูชานี้ขอให้เรามีสติเป็นหลักให้มีสติกากับใจด้วยการละลึกถึงพุทโธพุทโธ ต้อง ล, ลดเวลาที่เรานั่งสมาธิตอนต้นเวลาเรานั่งเราก็นั่งในท่าใดท่าหนึ่งที่เราสะดวกขัดสมาดได้ก็ขัดสมาธินั่งพ้าเพียบได้ก็พ้าเพียบไม่ได้ก็เรานั่งบนขอบเตียงหรือนั่งบนเก้าอี้แล้วก็หลับตาตั้งตัวให้ตรงแต่ไม่ต้องเกรงเพราะถ้า ไม่ตัวไม่ตรงแล้วมันจะทำให้หลับง่ายต้องตั้งตัวให้ตรงแล้วก็หลับตาแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของร่างกายพอเราเริ่มภาวนาพอเราเริ่มบริกรรมพุทโธพุทโธหรือเราเริ่มดูลมหายใจเข้าออกให้เราทำงานนั้นไปเพียงอย่างเดียว ถึงแม้จะมีความคิดเข้ามาแทรกอยู่ก็อย่าไปสนใจอย่าไปตอบกับความคิดนะบางทีความคิดมาชวนให้เราคิดมาถามนู่นถามนี่ก็อย่าไปคุยกับความคิดนะให้คุยกับพุทธโธพุทธโธไปถ้าใช้พุทธโธก็ท่องพุทธโธพุทธโธพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวหรือถ้าใช้การดูลมหายใจเข้าออก ก็ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเนลมหายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่ากาลังหายใจออกถ้าไม่มีสติพอที่จะมองเห็นลมหายใจเข้าออกจับลมหายใจไม่ได้ก็มาใช้คำบริกรรมพุทธโธก่อนถ้าบริกรรมพุทธโธไม่ได้ก็ เรามาใช้การสวดมนต์อิติปิโสไปก่อนสวดไปภายในใจบริกรรมไปภายในใจนะสวดอิติปิโสไปภายในใจแทนพุทธโธก็ได้สําหรับผู้เริ่มต้นที่สติยังไม่มีกําลังมากพอที่จะดูลมหรือที่จะบังคับให้อยู่กับคําบริกรรมพุทธโธเพียงคําเดียวก็มาใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ หรือถ้าสวดมนต์ยังไม่ได้ก็ลองใช้การฟังธรรมไปก่อนอย่างที่กำลังทำอยู่ขณะ น, นี้การฟังธรรมก็เป็นการฝึกสติไปในเบื้องต้นไปก่อนดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอใจไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจก็จะเบาลงเย็นลงสบายลงสบายขึ้น มีความว่างมีความเบา อ, อกเบาใจเวลาฟังธรรมนี้ก็ช่วยกล่อมใจให้สงบได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เต็มเต็มที่ต่อไปพอเราไม่ต้องฟังธรรมหรือฟังธรรมเสร็จแล้วเราคิดว่าเราดูลมหายใจได้หรือพุทโธได้เราก็ปิดเสียงธรรมแล้วก็มาลองบริกรรมพุทโธพุทโธดู ดูบูลมหายใจดูทำไปเท่าที่เราจะมีกำลังทำได้ใหม่ๆอาจจะมีสมาธิสั้นมีสติสั้นอาจจะบังคับใจได้เพียงห้านาทีสิบนาทีก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเลยเพราะการเริ่มต้นจะต้องมีต้องมีจุดเริ่มต้นต้องมีการเริ่มปฏิบัติ อย่างที่มีสุภาษิต ท, ที่มีคนพูดไว้ว่าการเดินทางแ ม, แม้จะไกลถึงพันกิโลก็ต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกถ้าเราไม่ก้าวแรกเราก็จะไม่ออกเดินทางกันพอเรามีก้าวแรกแล้วเดี๋ยวก็มีก้าวที่สองแล้วก็จะมีก้าวที่สามก้าวที่สี่ตามมาแล้วเดี๋ยวก็จะมีกิโลที่หนึ่งกิโลที่สองตามมา การฝึกหัดก็เป็นแบบนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฝึกนั่งสมาธิเลยสามารถฝึกได้ตั้งแต่บัดนี้เลยไม่ต้องเรียนรู้มากการฝึกสมาธินะเบื้องต้นก็ขอให้มีศีลห้าโดยเฉพาะศีลข้อที่สี่ข้อที่ห้าคือสุราเมรยัยอย่าดื่มสุราหรือของมึนเมาต่างๆเพราะถ้าดื่มแล้วจะไม่มีสติพอ ที่จะคอยควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งได้ทำใจให้เป็นหนึ่งทำใจให้สงบได้เมื่อเมาแล้วก็จะถูกความคิดหลอกให้คิดเลื่อยเปื่อยไปแล้วก็ทำให้ไปทำอะไรเสียหายต่างๆตามม า, ต, า, ต, า, ต, าต่อไปงั้นสำหรับผู้ที่ฝึกร่มต้นนี้อย่างน้อยต้องมีศีลข้อที่ห้าก่อนไม่ต้องห้าข้อก็ได้ มีข้อที่หนึ่งก่อนแต่ถ้ามีข้ออื่นได้ด้วยก็ดีเพราะว่าถ้าเราไปทำบาปเวลามานั่งสมาธิบางทีใจเราก็จะกังวลกับบาปที่เราทำได้เช่นเราไปโกโหกหลอกลวงใครไปกั่นแกล้งใครไปโกงใครไปทำร้ายใครเนี่ยมันจะมาคอยรบกวนใจเรา ถ้าเราไม่ไปทำอะไรให้ความเสียหายกับใครมันจะไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจเราเวลาเราจะนั่งสมาธิเรื่องที่ไม่ดีต่างๆที่เราไปทำไว้มันก็จะไม่เข้ามาในใจของเราแต่ถ้าเราไปทำผิดศีลนี่เรื่องไม่ดีต่างๆที่เราทำมันจะมาคอยเข้ามารบกวนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเราจะคอยหวาดภวาคอยวิตก กลัวว่าเราอาจจะต้องถูกเขาไปร้านแค้นจับเราไปลงโทษหรือทำอะไรต่างๆกับเราดังนั้นการรักษาศีลห้านี้เป็นการป้องกันเรื่องราวที่ไม่ดีต่างๆไม่ให้มันเข้ามารบ ก, กวนใจเราในขณะที่เรานั่งสมาธิกัน โดยเฉพาะศีข้อห้าคือการดื่มสุราถ้าดื่มสุราแล้วก็ไม่มีวันที่จะนั่งสมาธิได้พอเรามีศีแล้วพอเราว่างจากภารกิจการงานต่างๆประจำวันของเราแล้วจะถึงเวลานอนแล้วก็ลองเอาเวลาก่อนนอนนี่มาฝึกสมาธิกันดูดูซิว่าจะได้สักกี่นาที ห้านาทีสิบนาทีหรือสิบห้านาทีหรือกี่นาทีก็ตามไม่แน่บางคนอาจจะมีของดีซ่อนอยู่ในใจพอได้มาฝึกปับ๊บของดีที่มีอยู่กับตัวก็จะโผล่ขึ้นมาคือในอดีตก็ยอาจจะ่อยฝึกสมาธิมาก่อนแล้วพอลองได้มาทำไบก็เหมือนมาจุดไฟจุดไฟเก่าให้ลุกขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย บางคนพอนั่งสมาธิปั๊บบางทีห้านาทีสิบนาทีจิตก็รวมลงเข้าสู่สมาธิได้ได้ผลอย่างรวดเร็วกว่าคนที่ฝึกสมาธิเป็นเวลาหลายปีก็มีนี่เป็นเพราะว่าเขามีเชื้อไฟเก่าเขามีของเก่าอยู่พอเขาได้ยินได้ฟังวิธีฝึกสมาธิแล้วพอลองไปทำปฏิบัติ ทำตามที่ได้ถูกสอนให้ปฏิบัติเพียงห้านาทีสิบนาทีจิตก็รวมสู่ความสมาธิได้รวมเป็นหนึ่งได้เป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาได้อันนี้ไม่ไม่ควรปฏิมาป ร, ประมาตัวเราของบางอย่างนี่มีอยู่ในตัวเราแต่เราไม่เคยเอามาใช้ เราก็เลยไม่รู้ว่าเรามีของดีๆในตัวเราแต่พอเราโชคดีได้มาได้ยินได้ฟังธทรรมได้ยินได้ฟังวิธีฝึกสมาธิก็เลยลองไปทำดูซึ่งไม่ใช่เป็นของยากเลยเพียงแต่อย่าดื่มสุราอย่าไปทำเรื่องราวที่เสียหายที่จะมาคอยรบกวนใจแล้วก็ เวลาก่อนจะนอนมีเวลาว่างก็ลองนั่งสมาธิดูลองบริกรรมพุทโธพุทโธดูหรือลองดูําหายใจเข้าออกดูดีไม่ดีจิตอาจจะรวมได้ภายในห้านาทีสิบนาทีก็ได้ถ้าลองได้จิตรวมได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วจะเกิดความรู้สึกมหัศจรรย์ใจขึ้นมา จะไม่คาดฝันมาก่อนว่าในตัวของเรานี้มีของวิเศษอยู่ในตัวของเราเองแล้วจะทำให้เกิดฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาขึ้นมาจะมีการเปลี่ยนเดือนพฤติกรรมของตนเองจากการเคยไปหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายก็อยากจะมาหาความสุขจาก การ น, นั่งสมาธิการทำใจให้สงบเนี่ยเพราะลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงนัตติสันติบะลังสุ ข, ขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีผู้ใดได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วจะรู้ความจริงอันนี้แล้วก็จะเลือกที่จะหาความสุขจากความสงบแทนก็จะ ไม่ต้องไปเพิ่งร่างกายต่อไปอันนี้คือการฝึกขัดเบื้องต้นที่ทุกคนสามารถทำได้ทำได้ในตอนนี้เลยถ้ามีเวลาว่างหลังจากเลิกฟังทำแล้วลองนั่งหลับตาดูลองดูลมหายใจดูถ้าดูได้ถ้าดูหายลมหายใจไม่ได้ก็พุโทโธพุโทโธไปพุโทโธไม่ได้ก็สวดอิติปิโสไป ลองทำดูแล้วถึงแม้จะได้ผลมากได้ผลน้อยจะได้เริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างที่ทำกับเวลาที่ไม่ทำอย่างน้อยความคิดฟุ้งซ่านต่างๆความวุ่นวายใจความวิตกกังวลต่างๆนี้จะน้อยลงไปอาจจะไม่หายไปหมดเลยแต่ จ, จะพักตัวชั่วคราวทำให้เกิดความรู้สึกเบาอกเบาใจขึ้นมา ทำให้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมทำให้เกิดมีความยินดีมีฉันทะมีวิริยะความภาคเพลี่ยนพอนั่งได้หนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวก็อยากจะนั่งครั้งที่สองต่อไปเช่นตื่นเช้าขึ้นมาก็อาจจะขอนั่งในกรอบหนึ่งก่อน ในคืนนี้ก่อนนันอนนั่งแล้วรู้สึกสบายดีมีรู้สึกสบายอกสบายใจขึ้นพอตื่นขึ้นมาก็ขอนั่งอีกสักรอบหนึ่งก่อนนั่งแบบรอบแรกดูลมหายใจไปถ้าดูได้ดูไม่ได้ก็บริกรรมพุทโธไปบริกรรมพุทโธไม่ได้ก็สวดอิติปิโสไปพอมีครั้งที่สองแล้วเดี๋ยวก็จะมีครั้งที่สามตามมา เดี๋ยวพอตกเย็นของวันนุ่มขึ้นก่อนนอนก็อยากจะนั่งอีกแล้วถ้าทำอย่างนี้ไปต่อไปมันก็จะติดเป็นนิสัยขึ้นมาแล้วก็ถ้าได้ผลดีก็อยากจะนั่งให้นานมากขึ้นผลนี้จะดีไม่ดีอยู่ที่สติก็อยากจะให้ผลดีกว่าเก่าก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มสติให้มีมากขึ้น การจะเพิ่มสติให้มีมากขึ้นนี้สามารถทําได้ในช่วงที่ไม่ได้นั่งสมาธิในช่วงที่เรามีการเคลื่อนไหวทํางานทําการอะไรต่างๆช่วงไหนที่เราไม่ต้องใช้ความคิดไปกับการทํางานเราจะใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ได้ก็จะเป็นการสร้างสติขึ้นมาหรือถ้าบริกรรมพุทธโธไม่ได้ ใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้ว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินก็ให้รู้อยู่กับการเดินกําลังยกของก็ให้รู้อยู่กับการยกของกําลังหยิบอาหารเข้าปากก็ให้รู้อยู่กับการหยิบอาหารเข้าปากกาลังดื่มน้ําก็ให้รู้อยู่กับการดื่มน้ํำ อันนี้ก็เป็นวิธีฝึกสติเพิ่มสติให้มีเพิ่มมากขึ้นพยายามให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวการทางานของร่างกายหรือให้มีสติอยู่กับคาบริกรรมพุทโธไปแล้วครั้งต่อไปเวลามานั่งสมาธินี้จะนั่งได้นานได้ยาวกว่าก่อนจะนั่งได้ง่ายกว่าเก่าด้วย เพราะจิตจะมีสมะมีสติที่จะคอยควบคุมบังคับให้อยู่กับการบริกรรมพุโทโธไม่อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอเริ่มปฏิบัติแล้วจะเริ่มรู้ว่าควรจะทำอะไรเพิ่มมากขึ้นไปรู้ว่าควรจะเลิกอะไรรู้ว่าอะไรที่ไม่มีคุณประโยชน์ก็จะเลิกมัน หรือว่าอะไรที่มีคุณประโยชน์ก็จะพยายามทําให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเการปฏิบัติมันจะทําให้มีประสบะการณ์ไม่มีอะไรที่จะเป็นครูที่ดีก็ประสบะการณ์ของเราเองถึงแม้จะได้ยินได้ฟังประสบะการณ์ของครูบาอาจารย์เล่าให้เราฟังกี่ร้อยรอบกี่พันรอบมันก็ไม่ถึงใจเหมือนกับได้ยิน ไม่พบได้เห็นจากประสบประการณ์ของเราแล้วมันจะทำให้เราไม่หลงไม่ลืมประสบประการณ์นี่แหละเป็นอาจารย์ที่แท้จริงของเราอาจารย์ที่อยู่ภายนอกเป็นเพียงผู้ที่เชื้อเชิญให้เราเข้ามาหาอาจารย์ที่แท้จริงของเราคือประสบประการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติของเราเมื่อเราปฏิบัติไปเราจะเริ่มรู้ว่าควรจะทาอย่างไร ควรไม่ทำอะไรแล้วจะรู้โดยที่ไม่ต้องไปถามใครแล้วก็จะไม่สงสัยไม่เหมือนกับเวลาได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นบางทีฟังแล้วก็ยังสงสัยหรือฟังแล้วยังไม่เข้าใจเพฉะนั้นเราต้องมีการศึกษาในเบื้องต้นจากผู้อื่นก่อนให้เรารู้วิธีแบบคร่าวๆว่าเราจะต้องทำอะไร แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องมาปฏิบัติมากระทามาสร้างประสบะการณ์เมื่อมีประสบะการณ์แล้วมันจะบอกเราเองว่าเราทําถูกไม่ถูกทํแล้วได้ผลไ ม, ไม่ไม่ด้ผลเพราะผลที่เราต้องการก็คือความสงบความว่างความเบาของจิตใจถ้านั่งแล้วยังคิดยังปรุงแต่งยังฟุ้งซ่าน ยังไม่เกาะติดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุทโธพุทโธหรวลมหายใจเข้าออกหรวยการสวดอิติปิโสก็แสดงว่าเรายังปฏิบัติไม่ถูกเบื้องต้นต้องรู้ว่าสิ่งที่เราต้องเกาะติดอยู่ก็คือการมีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่กับพุทโธอยู่กับ การส่วนอิติปิโสอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกหรือถ้ามีการเคลื่อนไหวก็ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือใช้คําบริกรรมพุทธโธแทนก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนี่เป็นวิธีการปฏิบัติที่จะทําให้ใจเรามีผลตามมาคือมีความบ้างมีความว่าง มีความเบา อ, อกเบาใจมีความสบายใจนี่สิ่งที่ทำให้เราหนัก อ, อกหนักใจก็ไม่ใช่อะไรนะก็คือความคิดของเราเนี่พอคิดถึงเรื่องนั้นก็หนัก อ, อกหนักใจขึ้นมาคิดถึงเรื่องนี้ก็หนัก อ, อกหนักใจขึ้นมาพอไม่ได้คิดใจก็เบาขึ้นมาออนี่คือขั้นต้นของการปฏิบัติที่สำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติก็ สามารถปฏิบัติได้ทุกคนไม่มีเหตุผลนั้นใดที่จะมาห้ามเราไม่ให้ปฏิบัติถ้าเราได้ยินได้ฟังวิธีการปฏิบัติแล้วรู้แล้วว่าจะต้องทําอย่างไรเราก็นําไปปฏิบัติเท่านั้นเองรักษาศีล์ห้าไว้ก่อนแล้วยังรักษาศีล์แปดไม่ได้แล้วรักษาศีล์ห้าไม่ได้ห้าข้อก็เอาศีห์ข้อข้อที่ห้า น, นี้ก่อนอย่าดื่มสุรา แต่ถ้ารักษาข้ออื่นได้ก็รักษาไปด้วยจะทําให้การปฏิบัติง่ายขึ้นแล้วพอร่างปฏิบัติก็จะได้สัมผัสกับผลอาจจะเป็นผลมากบ้างผลน้อยบ้างหรืออาจจะรู้สึกว่ายังไม่ได้ผลอะไรเลยอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้ว่าเรากําลังไม่รู้ว่าเรากําลังปฏิบัติเรากําลังเดินไปข้างหน้าดีกว่านั่งอยู่เฉยๆดีกว่าไม่ได้ปฏิบัติะะ นี่คือกระบวนการของการเข้าสู่วิธีแก้ปัญหาคือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาซึ่งวันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของศีลกับสมาธิสำหรับผู้ปฏิบัติเบื้องต้นคือศีลห้าโดยเฉพาะศีลข้อที่ห้าสุราเมรยัยแล้วสมาธิก็คือการมีสติ มีมากมีน้อยก็ลองนั่งไปดูห้านาทีสิบนาทีนั่งได้ก็ยังดีกว่าไม่นั่งเลยอืทําไปแล้วต่อไปมันจะเพิ่มมากขึ้นไปเองอแล้วต่อไปก็ถึงจะค่อยไปสู่ขั้นปัญญาอีกขั้นหนึ่งที่จะทําให้เราได้มีความสุขแบบทาวรแบบความสงบแบบท้าวรขั้นสมาธิจะให้ความสงบแบบชัว่วคราวไปก่อนอื แต่พอเราได้ขั้นสมาธิแล้วเราก็จะได้ไปสู่ขั้นปัญญาต่อไปนี่คือขั้นอนการของการแก้ปัญหาแบบถาวรนแบบม้วนเดียวจบไม่ต้องมาแก้กันซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าเรามาแก้ผ่านทางร่างกายจะต้องคอยมาแก้กันอยู่เรื่อยจะต้องมาคอยมีร่างกายเพื่อมาเป็นเครื่องมือหาความสุข เราก็ต้องมาแก้ปัญหาของร่างกายเกานอยู่เรื่อยๆไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเราผ่านโรคนี้ไปได้เดี๋ยวก็มีโรคใหม่รอเราอยู่มีโรคไปจนถึงวันตายแล้วพอตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เีพราะเรายังไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าไปหาความสุขผ่านทางร่างกายให้หาความสุขจากการทําใจให้สงบ ด้วยการปฏิบัติศีนสมาธิปัญญานี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาทาวาลวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกัปติ ิติตังปติตังตุมหังคิปเปเมวะสุมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยิวหจันโตสัพพะโรโควินัสตุ มาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาธนสีลิสศนิจังวุฒาปจายโนยตาโรธรรมวทาติอายุวันโอสุขังภาลัง อใครที่อยากจะถามคําถามอะไรก็ทยอยส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเดี๋ยวพอพักฉันน้ำเสร็จสักครู่หนึ่งจะเริ่มเปิดโอกาสให้ถามคําถามกันอช่วงนี้เป็นช่วงถามคําถามใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ ทาง Facebook 581 y อ u t u b e 272อิวิทย์ออนไลน์7รวมทั้งหมด8 6ด้หครับอาจารย์ถ้ามีคำถามก็ลองถามดูมีคำถามจากทาง YouTube เจ้าค่ะคุณนัดถือกาสวดมนต์ในห้องนอนได้ไหมคะเพราะห้องนอน ห้องพระอยู่บนชั้นสามเจ้าค่ะได้สวดที่ไหนก็ได้ในห้องส้วมก็สวดได้ถ้าเป็นการเจริญสติถ้าเราสวดภายในใจเป็นการเจริญสติการเจริญสตินี้จำเป็นทุกสถานที่ทุกเวลาทุกกรณีไม่เลือกสถานที่ไม่ถือว่าเป็นการลบหลู่ไม่ถือว่าเป็นการไม่เหมาะสมยกเว้นถ้าเป็นการสวดแบบออกเสียงเท่านั้นจึงไม่ควร จึงควรจะมีสถานที่ที่เหมาะสมมีวิริยาบทที่เหมาะสมเช่นอยู่ในห้องพระอยู่หน้าพระพุทธรูปนั่งพับเพียรพนมมือแต่ถ้าไม่ออกเสียงถ้าสวดเพื่อเป็นการเจริญสติแล้วสวดได้ทุกสถานที่ทุกแห่งทุกคนทุกเวลาก่อนจะตายก็สวดได้เจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่บนเตียงหมอจะผ่าตัดก็สวดได้ หมอจะฉีดยาก็สวดได้แฟนจะทิ้งก็สวดได้สวดมันไปแล้วใจจะสบายแฟนทิ้งก็ปล่อยเขาทิ้งไปเราอย่าทิ้งบทสวดมนต์แล้วเราจะไม่เสียใจแต่ถ้าเราทิ้งบทสวดมนต์เมื่อไหร่ใจเราจะเสียขึ้นมาทันทีเราจะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราสวดมนต์ไปแฟนจะไปก็ปล่อยเขาไปเราก็สวดของเราไป ใจของเราก็เย็นสบายที่เราทุกข์ก็เพราะเราไปคิดถึงเขาแล้วอยากไม่ให้เขาไปก็เลยทุกข์ตอเราสวดเราก็เลยลืมเรื่องเขาไปเขาจะไปเราก็ไม่ได้รู้เรื่องลูล่าของเขาเราก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยการสวดมนต์มีคุณมีประโยชน์อย่างนี้ยังต้องเข้าใจว่าการสวดมนต์นี่มีสองแนวทางสวดแบบอาลิสบูชากับสวดแบบปฏิบัติบูชา สวแบบอาิสบูชาก็ต้องเรียบร้อยอยู่ในสถานที่เหมาะสมมีอยู่ในห้องพระอยู่ในโบสถ์ในเจดีย์ในศาลาแต่ถ้าสวดเพื่อปฏิบัติเป็นปฏิบัติบูบชานี้สวดได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงหลับตานอนสวดได้ทุกแห่งทุกขนทุกเวลาถ้าสวดไปภายในใจเพื่อเป็นการเจริญสติ เพื่อเป็นการควบคุมความคิดเนเพื่อเพื่อเพื่อเป็นการดับความทุกข์ชั่วครั้งชั่วคราวอันนี้สามารถใช้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่คำถามจากคุณอภิวัตรค่ะอยากถามเรื่องการให้อภัยค่ะทำอย่างไรจะให้อภัยคนที่ทำผิดได้อย่างสนิทใจทั้งๆก็รู้ว่าเราควรให้อภัยเขาเช่นอภัยให้บุพการี แต่ลึกๆในใจก็เหมือนยังให้อภัยไม่ได้และมีวิธีไมมีวิธีไหนไหมคะที่จะรู้ว่าเราทำถูกคะ่ะก็นึกถึงบุญคุณของเขาดูสิบุปะกะเลยนี่มีบุญคุณกับเรามากน้อยเพียงไรถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เราจะเกิดมาได้หรือเปล่าถ้าไม่มีพ่อมีแม่มาเลี้ยงดูเราเราจะเกิดขึ้นมาได้หรือเปล่าเราจะโตขึ้นมาได้หรือเปล่า มันมีพ่อมีแม่ส่งเราไปเรียนหนังสือเราจะมีวิชาความรู้พาเราไปทํามาหากินได้หรือเปล่าถ้าเรานึกถึงบุคคลดูนลเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราโกรธสิ่งที่ท่านทํากับเรานี้มันอาจจะเป็นเรื่องชิบจ้อยไปบุญคุณของบิดามารดานีท่านบอกว่าใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดปล่อยให้ท่านด่าเราตบตีเราทุกตีเราทําอะไรเรา มันก็ยังไม่ได้ชดใช้บุญคุณของบิดามารดาได้หมดท่านยกท่านพูดในในในคำสอนว่าต่อให้เราแบก บ, บิดามุนดาไว้บนบ่าบนไหลของเราปล่อยให้ท่านอุจจละปัสวะถ่ายใส่ตัวเราเลี้ยงดูท่านอย่างดีเราจนถึงวันตายบุญคุณที่ท่านมีกับเราก็ยังใช้ไม่หมด งั้นถ้าเรานึกถึงบุญคุณของท่านโดยเฉพาะบุพกาเลยแล้วนี่จะทำให้เรามีความรักท่านมากและอยากจะเสียสละมากยิ่งกว่านี้อยากจะให้ท่านมีความสุขถ้าการมีความสุขของท่านด้วยการทุบตีเราด้วยการทำอะไรให้เราไม่พอใจก็ถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณไปกับเรากันคำถามจากทาง f facebook ค่ะจากคุณสุมาศ กับเรียนถามพระอาจารย์ครับการบวชจิตที่ถูกต้องควรทําอย่างไรครับบวชจิตมันก็ต้องเนี่ยมีรักษาศีลให้ได้จิตเนี่ยเป็นตัวรักษาศีลจิตต้องไปไม่ละเมิดศีลระดับต่างๆแล้วจิตก็ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดปรงแต่งคอยควบคุมกิเลสตัณหาแล้วก็ต้องมีปัญญาไว้มาคอยทําลาย กิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจอันนี้ก็เรียกว่าการบทจิตนี่นแหละคำถามจากคุณธีราชาตค่ะกลับมาส ก, การเรียนถามพระอาจารย์การไหลตามกระแสของกิเลสเป็นธรรมชาติของคนใช่ไหมครับดังนั้นการปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นการกระทำฝืนธรรมชาติหรือไม่ครับ คือธรรมชาติของกิเลสนี้เป็นธรรมชาติที่เป็นพิษเป็นภัยส่วนธรรมชาติของธรรมนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ภัยของกิเลสกระแสธรรมชาติของกิเลสก็เป็นเหมือนกระแสของเชื้อโรคนี่ที่จะไปทำลายชีวิตร่างกายกระแสธรรมชาติของกิเลสก็จะไปทำลายจิตใจ ส่วนกระแสธรรมกระแสของธรรมนี้เป็นกระแสธรรมชาติที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับใจเพราะจะไปทําลายกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างภัยต่างๆให้กับใจเป็นเหมือนยากับเชื้อโรค ก, กระแสของเชื้อโรคมาทำร้ายร่างกายกระแสของยานี้มาทําลายเชื้อโรคมารักษาร่างกายให้หาย ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสังกะแสเขาเรียกว่าไปคนละทางกระแสกิเลสไปทางกระแสธรรมไปทางเราจะเรียกว่าการทวนกระแส<ม>การปฏิบัติธรรมนี้เป็นการทวนกระแสของกิเลสตัณหาเราอย่าไปคิดว่าเพราะทุกคนมีกิเลสตัณหาเลยถือว่าเป็นของที่ถูก ว่าคิดว่ากระแสของกิเลสเป็นกระแสของธรรมชาติที่ถูกความจริงมันไม่ใช่นะมันเป็นกระแสที่ผิดนะที่คนฉลาดเท่านั้นที่จะรู้ทันคือพระพุทธเจ้ายึงไม่ไหลาตามกระแสของกิเลสตัณหาจึงต้องไาวทวนกระแสของกิเลสตัณหาคำถามจากคุณจันทราค่ะ ปาวารนาตั้งใจจะถวายปัจจัยเพื่อสร้างประพุทธรูปพอมาเจอเหตุการณ์โควิด19ก็รู้สึกว่าอาจจะต้องเก็บไว้ก่อนแต่จิตไม่ค่อยสุขจะทำยังไงดีเจ้าค้ะสาธุค่ะก็ตั้งใจเร แ, แล้วก็ทำมันไปถ้าไม่สบายใจก็ทำมันไปเพื่อความสบายใจเพราะเราก็ได้ปฏิบัติธรรมได้รักษาสัจจะ คำถามจากคุณยูยูค่ะเห็นความโกรธเราทำตามความโกรธจะทำยังไงดีเจ้าค่ะก็ถ้าทำตามความโกรธก็ต้องมาเสียใจในภายหลังดูนี้กูไม่ทาดีกว่าเราต้องไปขอโทษขอพยถ้าดีไม่ดีอาจจะต้องไปรับใช้โทษที่ไปทำงั้นให้มีสติรู้ทันว่าการทำตามความโกรธนี้นำไปสู่หายนะ นไปสู่ปัญหาไปสู่โทษต่างๆการหยุดไม่กระทำตามความโกรธนี้เป็นการระ ง, งับเป็นการแก้ปัญหาก็ต้องใช้สติในเบื้องต้นพอรู้ว่าโกรธแล้วก็พยายามบริกรรมพุทโธพุทโธไปว่าอยากไปคิดถึงเรื่องหรือเหตุการณ์หรือบุคคลที่ทำให้เราโกรธให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วมันก็จะระ ง, งับความโกรธได้ คำถามจากคุณหน่องปรมินค่ะกลับนมรส ก, การครับการฟังธรรมได้บุญมากน้อยเพียงใดครับก็ได้ได้ความรู้เนี่ยอันนี้ส่ของการฟังธรรมนี้มีต้องห้าประการด้วยกันได้เรียนรู้เรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนสองเรื่องที่เราเคยรู้แล้วพอเราได้ฟังซ้ําอีกเราก็จะได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นไป สจะํำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้สี่จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิห้าจะทำให้มีจิตใจผ่องใสมีความสุขมีความสงบคำถามจากคุณนนนี่ค่ะกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับกลาบเรียนถามว่า ผู้ที่บรรลุถึงขั้นพระอนาคามีแล้วยังมีเวทนาทางกายเหมือนปุถุชนทั่วไปอยู่หรือไม่ครับเวทนาทางกายนี้มีทุกคนพระพุทธเจ้าก็มีเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ได้มาดับเวทนาทางกายแต่มาดับเวทนาทางใจคือความทุกข์ใจความทุกข์ใจที่เกิดจากตัณหาสามประการ กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเช่นตอนนี้ร่างกายเรายังไม่เป็นโลกเลยใจใจเราทุกไปกับโลกภัยไข้เจ็บซสก่อนเนี่ยถ้าเราปฏิบัติทำแล้วเราก็จะกาจัดความทุกข์ทางใจที่เกี่ยวกับโลกภัยไข้เจ็บได้ถึงแม้ร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ตามแต่ใจจะไม่เจ็บไปกับความเจ็บของร่างกาย คำถามจากคุณธิดาค่ะนามส ก, การค่ะขอคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสวดมนเพื่อปฏิบัติบูคเพื่อปฏิบัติบูชาอีกครั้งเจ้าค่ะก็ให้สวดไปในใจนะครับสวดได้ทุกแห่งทุกคนทุกสถานที่ทุกเวลาทุกโอกาสเมื่อเราสามารถสวดได้ก็สวดไปภายในใจสวดบทที่เราจําได้ไม่ต้องไปเปิดหนังสือสวดบทไหนก็ได้ อิทิปิโสนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งเท่านั้นเองถ้าส่วนอิทิปิโสไม่ได้ส่วนน้โมตัดสะได้ก็สวดน้โมตัดสะไปแทนที่จะสวดสามจบก็สวดมันสามสิบจบสามร้อยจบสวดมันไปเรื่อยๆหรือพุทธังสรานังกะฉามิก็ได้ธรรมังสรานังกะฉามิสังขังสรานังกะฉามิก็ได้หรือบท สนาทานศีนห์้าก็ได้ตานาติปาตาเวระมณีสิกขาปังสมาดียามิอดินนาดานาะคือการส่วนนี้เป็นการดึงใจมามาทํางานในทางธรรมเพื่อมันจะได้ไม่ไปทํางานทางกิเลสนั่นเองถ้าเราไม่สวดเดี๋ยวมันก็ไปคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงเพื่อนฝูงคิดถึงที่เที่ยวคิดถึงภาพยนต์คิดถึงอะไรต่างๆขึ้นมา แล้วก็ใจก็จะเกิดความอยากเกิดความเครียดขึ้นมานี่คือการปฏิบัติบูชาสวดไปสวดบนไหนก็ได้สวดบทสั้นบทยาวก็ได้ไม่สําคัญข้อสําคัญขอให้สวดไปเรื่อยๆสวดไปบ่อยๆสวดไปนานๆสวดเป็นชั่วโมงได้ยิ่งดีถ้าสวดภายในใจนี้สวดได้ทุกแห่งทุกคนคําถามจากทาง u ูทูบค่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ไปปฏิบัติทรมาค่ะจะชอบแพ้กิเลสได้ยินคนที่ปฏิบัตินั่งนินทากันเราไม่อยากให้เขานินทากันเลยจะสอนใจตัวเองยังไงดีเช้าค่ะเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเร า, า, าเราไม่ได้มาแก้ปัญหาของเขาล้วไม่มาเป็นตำรวจเรามาแก้ปัญหาของเราเราดูใจของเราเพียงอย่างเดียวก็พอดูใจของเราครานี้เป็นนินทาของเขาหรือเปล่าเราว่าเขานินทาล้วใจของเราเป็นยังไง แต่เราก็กำลังไปนินทาเขาอยู่เนี่ยชอบมองคนอื่นไม่มองตัวเองหันกลับมาดูใจของเราดูตัวเราเองว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังไปนินทาชาวบ้านที่เขากำลังนินทากันอยู่หรือเปล่าคำถามจากคุณรวีศรีจากภูเก็ตเจ้าค่ะรูปอยากถามว่าภรรยา ม, มาทางธรรมแต่สามีไม่มาทางธรรมเราจะทำยังไงดีเจ้าค่ะ อยู่ด้วยกันได้ไหมสามีกินก๋วยเตี๋ยวเรากินข้าวผัดก็ยังอยู่ด้วยกันได้เขาจะดูหนังก็ปล่อยเขาดูหนังไปเราจะฟังเทศเราก็ฟังเทศไปแต่ก็ยังทําหน้าที่ของสามีภรรยากันอยู่ได้ใช่ไหมอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของอ่าส่วนตัวไปความชอบส่วนตัวอโบราณท่านมีบอกวให้ประสานส่วนเหมือนอสมหวนส่วนต่างถ้าเรากับเขา ทำคนละอย่างก็อย่าเอามาบังคับกันให้มาทําร่วมกันเอามาทําในเรื่องที่เราทําร่วมกันได้เจะเรายัางยังเ่อนหลับนอนกันได้เราก็มาหลับนอนกันต่อไปแต่เวลาฟังธรรมก็ไม่มานแล้วก็ฟังของเราคนเดียวเวลาก็ดูหนังก็ไปก็ดูเขาเขาคนเดียวไปอย่างนี้ก็ยังอยู่กันได้คําถามจากคุณจูลี่ค่ะ พ่อชอบคิดตะแวงเกินเหตุจะเตือนพ่อว่าที่คิดไม่ดีคิดผิดได้อย่างไรในเมื่อพูดไปคุณพ่อก็ไม่ฟังเจ้าค่ะก็อย่าพูดตเลยก็เมื่อพูดแล้วก็ไม่ฟังไปพูดทำไมก็เหมือนเทน้ำใส่แก้วที่เขาคว่ำไว้เทไปเท่าไหลามันก็ไม่เข้าไปในแก้วใจเขาเวลาไม่ฟังเขาก็ไม่ได้ยินเสียงที่เราพูดได้ยินเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจว่าเ้าเรากําลังพูดอะไรอยู่เพราะมันไม่เข้าไปในใจน เองก็อย่าพูดเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องของเขาเมื่อเราที่ว่าเราทําหน้าที่ของเราแล้วบอกเขาแล้วเมื่อเขาไม่ยินดีที่จะรับฟังก็ถือว่าเราจบหน้าที่ของเราแล้วต่อไปเขาจะมาโทษเราไม่ได้เอาทําทไมไม่บอกเราล่ะทําไมไม่มาเตือนเราก็เตือนแล้วเนี่ยก็คุณไม่ฟังเองก็ช่วยไม่ได้ ของพ่อเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเราถ้าคุณแม่ท่านท่านถามเราสามารถพูดได้ใช่ไหมจ๊ะได้ถ้าท่านไม่ถามก็อย่าไปพูดว่าเป็นเหมือนกับไปสั่งสอนผู้ใหญ่ <Okay. S 2> แต่ถ้าท่านถามว่าแสดงว่าท่านอยากจะปรึกษาเราเพราะท่านอาจจะรู้ บ, บางอย่างท่านอาจจะไม่เข้าใจเช่นตอนนี้โลกระบาดนี้เป็นอย่างไรอยต้องรักษาไงท่านอาจจะติดตามข้อมูลไม่เหมือนกับเรา ท่าถามว่าจะทํายังไงกับโรคนี้เราก็บอกท่านได้จะอยู่ดีๆก็อยากไปบอกท่านแล้วการอนุคันุญาตถามเรื่องปฏิบัติเจ้าค่ะคือนั่งนั่งไปช่วงหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์มันจะต้องชอบกลืนน้ําลายตลอดแต่เจ้าค่ะปล่อยให้มันไหลออกมาไม่ต้องไปกลืนมันต่อไป ม, ม, มันไม่ใช่ลักษณะการไหลหลวงพ่อมันมันเหมือนจะอยู่ในคอเจ้าค่ะก็ น, นั้นเอาปล่อยมันไปอย่าไปทําอะไรกับมัน ก็ก็ยมอยู่ในข้อไปมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันไปะพอมันจะสงบปะเจ้าหวะของพ่อเหมือนพอมันจะฟืบเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันต้องการจะกลืนแล้วก็ต้องทําตามตลอดเจ้าค่ะอย่าไปทําตามมังสู้ด้วยพุทโธหรือดูลงต่อใช่ไหมเจ้าค่ะแสดงว่าสติเราไม่พอใช่ไหมเ้าค่ะสาธุค่ะมีคําถามจากคุณวสุวัตค่ะขอการ์ดพระอาจารย์ครับ ขุดเจอต้นตะเคียนโบราณในบ่อน้าในบ้านเราควรทำยังไงดีครับชาวบ้านเขาว่าจะมีผีตะเคียนครับไม่มีหรอกต้นไม้มันไม่มีผี <c oughs> ผีไม่ผีไม่ได้อยู่ในต้นไม้หรอกดวงวิญญาณไม่ได้อยู่ในต้นไม้เป็นความเชื่องมงายเท่านั้นเองก็ลองหาคนที่เขาอยากได้ต้นตะเคียนก็ไปให้ะ มีสำนักบางสำนักบางวัดเขาอยากจะได้ต้นตะเคียนแล้วก็เอาไปบริจาคไว้แต่ไม่มีหรอกมันเป็นความเชื่องมงายคำถามจากคุณบุญเกษมค่ะกับนมัสการครับผมมีคําถามครับบางช่วงบางเวลารู้สึกเบื่อหนายคิดว่ายังไงต้องตายสักวันหนึ่งแล้วผมต้องรักษาจิตยังไงต่อครับหรือให้ดูการเกิดดับครับช่วงนั้นก็ควรที่จะระงับความคิดปรุงแต่ง ตอนนั้นจิตรเราฟุ้งซ่านจิตรเราไม่มีความสงบพอไปคิดถึงเรื่องความตายมันจะทำให้จิตใจเราหวั่นไหวได้ก็กลับมาทำจิตให้สงบก่อนหยุดคิดแล้วก็มาเจริญสติพุทโธพุทโธพุทโธไปก่อนเพราะจิตสงบแล้วถ้าไปคิดถึงความตายมันจะมีความรู้สึกต่างกันนะมันจะรู้สึกเฉยเฉยมันจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดา ี่ไมมใค ร, รวพ้้นคคาามตายไปไปดำถามจากคุณปูเปี้ยวค่ะกับนรมสการค่ะพยายามนั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบเลยจะทำยังไงดีเจ้าคะก็พยายามฝึกสติไปเรื่อยๆมันพุโทโธพุโทโธนึกสวดมนต์ไปเวลานั่งสมาธิก็อย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆไม่มีการสวดมนต์ไม่มีการบริกรรมพุโทโธ ไม่มีการดูลมหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีวันที่จะสงบได้คำถามจากคุณปาริชาติค่ะลูกชายเคยไปขอบวชเนนกับเจ้าว่าแห่งหนึ่งท่านบอกว่ามีพระในใจให้ได้ก่อนค่อยมาบวชทําอย่างไรจึงจะได้มีพระในใจให้ได้เร็วที่สุดสําหรับเด็กอายุสิบสี่ปีเจ้าคะก็ให้สวดมนต์ไปก่อนนะส่วนบทอิติ พุทธคุณธรรมคุณสังคคุณสวดีิติปิโสสะอาขาโตสุปฏิปโนแล้วก็ให้ไปศึกษาคำแปลว่าเป็นใครพระพุทธเจ้าเป็นใครพระธรรมคำสอนเป็นอะไรพระสงฆ์เป็นใครสวดไปแล้วต่อไปก็จะมีพระขึ้นมาในใจคำถามจากคุณลาภีพันธ์ค่ะ การที่เราไม่ไปยุ่งและตีตัวออกห่างจากคนรอบข้างพอไปนั่งคุยก็มีแต่นินทาชาบ้านอย่างนี้ถือว่าเราไม่เข้าสังคมไม่เข้าสังคมไหมเจ้าคะ่ะก็ไม่เป็นการเสียหายอะไรการจะเข้าสังคมหรือไม่เข้าสังคมมันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะเลือกและเราก็ต้องรับผลจากการไม่เข้าสังคมของเราเราก็จะไม่มีเพื่อนเท่านั้นเองแต่เราก็จะ ได้อย่างอื่นแทนเราก็จะได้ความเป็นอิอสระของเราเราก็จะได้ไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาร่วมกับเขาเรามีอิสระภาพที่จะทำอะไรตามความต้องการของเราและเราก็ไม่ต้องมาวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆของเขามันก็มีก็เรียกว่ามีมีได้มีเสียในการกระทำต่างๆของเรา ที่เราเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะเลือกได้เราชอบสังคมเราอยากจะเข้าสังคมก็เข้าไปเราไม่อยากจะเข้าสังคมเราก็ไม่เข้าไปแต่เราก็ต้องรับผลจากทางเลือกของเราว่ามันก็จะมีผลต่างกันมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปคำถามจากคุณราิลินค่ะหนึ่งละการกระทำบาป ท, ทั้งปวงสองทำกุศลให้ถึงพร้อมสามทำจิตใจให้บริสุทธ ทำสามข้อนี้ให้ถึงพร้อมด้วยเพียรวิริยะจะถึงพระนิพพานไหมครับหลวงพ่อถึงแต่มันต้องมีรายละเอียดเยอะกว่า น, นี้อันนี้เป็นเพียงแต่หัวข้อใหญ่ๆเมื่อถึงเวลาปฏิบัติก็ต้องไปรู้ว่าบาปทั้งปวงมีอะไรบ้างแล้วก็กุศลทั้งปวงมีอะไรบ้างการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระอย่างไรด้วยอะไรยังมีข้อที่เราจะต้องศึกษาอีกมาก การปฏิบัติธรรมนี้จําเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์คอยให้ความรู้อยู่อย่างต่อเนื่องไม่ใช่เรียนแบบเลือดเดียวจบแล้วก็ไปปฏิบัติตามลําพังคนเดียวไม่ได้เพราะสิ่งที่เรียนมามันมากเกินไปที่จะมาจดจําได้แล้วก็พอไปปฏิบัติก็จะปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกยิ่งทางปฏิบัติจริงๆเขาไม่นิยมทําอย่างนี้เขานิยมให้ไปศึกษาไปอยู่กับครูบาอาจารย์ ไปอยู่แบบเข้าโรงเรียนกินนอนกินกับอาจารย์นอนกับอาจารย์เรียนจากอาจารย์อาจารย์ทำอะไรก็ทำตามอาจารย์อาจารย์บอกให้ทำอะไรก็ทำตามที่อาจารย์บอกคาถามจากคุณนิพาพรค่ะกับนมาสการเจ้าค่ะขอถามว่าตอนนี้ลูกป่วยเป็นมะเร็งปากวันลูกบทสวดมนบทไหนที่ลูกควรสวดเพื่อวิธให้เชื้อมะเร็งเจ้าค่ะ อู้ทิดไม่ได้หรอกเชืเ้อแมลงมันเป็นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มีวิญญาณถึงแม้มีวิญญาณก็อุ้ทิดให้มันไม่ได้หรอกถ้ามันจะมามันจะมาเอาเรื่องเราเรา ก, ก็ไปห้ามมันไม่ได้ถ้ามีเจ้า ก, กรรมในเวรเขาจะมาร้างแค้นเราส่วนยังไงเขาก็ไม่ฟังเราหรอ ก, รอกอยัาการสวด น, นี้ไม่ได้เป็นการสวดเพื่อไปไปอะไรไปอุทิดบุญให้กับ บุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เป็นการสวดเพื่อให้ใจเราเบาใจให้เราสบายเพื่อใจเราจะได้ไม่เครียดกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเท่านั้นเองคําถามต่อไปจากทางเฟซบุ๊กค่ะกราบเท้าในมัส ก, การพระอาจารย์ครับผมกราบเรียนถามว่าเกล้ากระผมเคยฟังเทศพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตามหาบวัวหลวงตาสอนว่าให้มีสติกับคำบริกรรม กับผมลองฝึกบริกรรมต่อเนื่องกันติดต่อรวมกันสามวันอยู่ๆก็รู้สึกว่าโลกนี้ดับไม่รู้อะไรเลยคำบริกรรมก็บริกรรมไม่ได้แต่ยังมีสติรู้ตัวครับอาจารย์เรียกว่าจิตสงบไงจิตนิง่งจิตสงบจิตปล่อยวางโลกร่างกายอะไรเหมือนก็หายไปใจก็ว่างเบาเย็นสบาย ไม่ต้องบริกรรมพอถึงจุดนะั้นแล้วก็จิตสงบนิ่งสบายคำถามจากคุณหนองค่ะกับนมัส ก, การพาระอาจารย์ครับช่วงนี้มีเหตุการณ์เชื้อโรคทำให้ทุกคนตกอยู่ในบ้านนานๆทำให้เบื่อและใจสับสนต้องทำต้องทาอย่างไรขอคำแนะนำให้ทุกคนด้วยครับก็ต้องปฏิบัติทำเท่านั้นนะถ้าทำได้เป็นวิธีที่ดีที่สุด ถ้าปฏิบัติทำได้จะเพลิดเพลินจะไม่เบื่อไม่เหงาไม่ว้าวุ่นขุนมัวที่จิตเราเบื่อว้าวุ่นขุนมัวเพราะตันหาความอยากอยากที่จะไปทำนู่นทำนี่อยากจะไปดูนั่นดูนี่ไปที่นั่นที่นี่แต่พอเกิดโรคระบาดก็ไปไม่ได้ก็เลยจะให้เกิดอาการกดจิตเกิดอาการว้าเวเกิดอาการไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราปฏิบัติทาเป็น เราก็จะลินสติไปเดินจงกรมไปบ้างนั่งสมาธิบ้างฟังเทศฟังธรรมกันไปบ้างสลับกันไปมันก็จะเพลิดเพลินเวลาก็จะผ่านไปคำถามจากคุณรุ่งฤทธิ์ค่ะเรียนถามพระอาจารย์เมื่อได้ฟังเรื่องราวประกาศการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าจากสื่อแล้วน้ำตาไหลจิตเกิดเป็นบุญไหมครับขอบคุณครับ อ๋ อ, อก็เป็นความปิตินะเป็นความซาบซึ้งในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจะเรียกว่าเป็นบุญก็เป็นบุญอย่างหนึ่งคำถามจากนหนุ่มค่ะการบริกรรมพุทโธเราควรจะ ก, กําหนดความจดจ่อหรือความรู้สึกตัวที่จุดใดจุดหนึ่งในร่างกายไปพร้อมกันได้หรือไม่ครับไม่ต้องหรอกให้อยู่กับคําบริกรรมอย่างเดียวดีกว่าคำถามจากคุณอัจชาค่ะ กับนมัส ก, การค่ะสุดเนื่องจากคำถามของน้องผู้อ่านคาถามถ้าขณะนั่งสมาธิเรารู้สึกว่าตัวจะเริ่มสัน่นเราควรกลับมาจาับลมหายใจให้มั่นคงขึ้นถูกต้องกว่าที่จะปล่อยให้กายสัน่นตามความรู้สึกนั้นถูกหรือไม่เจ้าคะถูกต้องเพราะเราเผลสติแล้วเราไม่ได้อยู่กับการภาวนาแล้วมันก็เลยปล่อยให้จิตจแสดงอาการต่างๆขึ้นมาหลอกเรา เราก็ต้องกลับมาควบคุมจิตด้วยการเจริญสติต่อถ้าดูลมก็กลับมาดูลมต่อถ้าพุทโธก็กลับมาพุทโธต่อคำถามจากคุณวีศีค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วเปิดธรรมหลวงพ่อฟังไปด้วยหรือว่าควรกําหนดบริกรรมพุทโธเจ้าคะก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอยากจะฟังธรรมก็ไม่ต้องพุทโธถ้าอยากจะพุทโธก็เปิดเสียงธรรมไป เพราเดี๋ยวมันจะมาชนกันมารบกวนกันต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึง่งจะเอากาแฟร้อนแล้วกาแฟเย็นถ้าเอามารวมกันแล้วมันก็ไม่ร้อนไม่เย็นไม่อร่อยคำถามจากคุณรัตนาค่ะโยมปฏิบัติมาระยะหนึ่งจะรู้ได้อย่างไรคะว่าถึงสกิทาคามีเจ้าค่ะอ๋ออันนั้นคงอยาไม่ต้องไปกังวลนะเพราะมันยังอีกไกล ตอนนี้เราอยู่ขั้นระดับปฐมหรืออนุบาลอยู่ยังไม่ต้องไปกังวลนตอนนี้อยู่ขั้นปริญญาตรีแลโทแ เ, เอกนะตอนนี้ขอให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆก่อนขอให้จิตรวมเป็นสมาธิให้ได้ก่อนแล้วรักษาศีลบาดศีลสิบให้ได้ก่อนแล้วค่อยมากังวลว่าตอนนี้อยู่ขั้นไหนแนละ้วคนถามจากคุณโร ม, มี่ค่ะถ้าสมาธิถดถอยให้ทาอย่างไรต่อไปเจ้าคะ ต้องก็ต้องปฏิบัติเหมือนอรถเนี่ยเวลามันช้าลงก็ต้องเหยียบคันเร่งมาเนี่ยเราไปปล่อยคันเร่งมันก็วิ่งช้าลงเลยเราก็ต้องเหยียบคันเร่งใหม่มันก็วิ่งเร็วขึ้นการปฏิบัติถดถอยก็เพราะเราปฏิบัติน้อยโดยเฉพาะสติเราไม่เจริญสติไม่สร้างสติขึ้นมามันก็ถดถอยพอเรามาสร้างสติขึ้นมาใหม่มันก็กลับขึ้นมาใหม่คำถามจากคุณตู่ค่ะ ให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ไปสวรรค์ได้ไหมคะพระอาจารย์ให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ไปได้ต้องรักษาศีลถ้าไม่รักษาศีลจะว่าถ้าถ้าให้ทานน้อยกว่าทําบาปบาปมันจะดึงใจให้ไปอบายแต่ถ้าไม่ทําบาปเลยทําทา น, นทําทานได้สวดมนต์ได้ก็จะไปสวรรค์ได้คําถามจากคุณไพฑูรย์ค่ะ การผ่อนอาหารนั้นทำให้ร่างกายอ่อนเพลียแต่ทำให้จิตใจตื่นตัวแต่สภาพแวดล้อมมักไม่เหมาะสมทำให้อึดอัดครับก็ถ้าอึดอัดก็อย่าไปใช้วิธีนั้นไม่ต้องไปหาสถานที่ที่เหมาะสมต่อการใช้วิธีนั้นคำถามจากคุณวิโรธค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ช่วงนี้เวลานั่งดูลม รู้สึกว่าตัวโยกนั่งต่อไม่ได้เลิกนั่งต้องนั่งต้องทำยังไงต่อไปดีครับถ้ามันโยกก็จับมันมาเดินก่อนก็ได้มันชอบโยกให้มันเดินเดินจงกรมไปเดินไปพุทโธพุทโธไปดือดูเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปเดินนานเดินมากมากให้มีสติมากๆากจนกระทั่งเดินไม่ไหวแล้วก็เรามานั่งใหม่เดูทีนี้มันจะไม่มีแรงโยกแล้วเหมืน คำถามจากคุณนิพาพรค่ะเราจะแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรที่มีชีวิตอยู่ต้องทำอย่างไรโชคะก็ต้องเจอกันไปหาเขาแล้วก็เอาของไปฝากเขาพี่วันนี้มีขนมมาฝากนะพี่อยากจะให้หนูทำอะไรให้หรือเปล่าคือแผ่ความเมตตาให้กับเขาแต่เขาจะรับไม่รับนี่ก็เรื่องของเขานล ก็ะว่ไม่ต้อนรับเราไม่อยากจะเจอเราเพวกเขายังอารมณ์เสียอยู่ก็ยังโกรธเราอยู่แล้วเราก็ทําไปของเราไปทำไปเรื่อยๆ เ, เขาบอกว่าใจนี้นั้นจะแข็งขนาดไหนก็เหมือนก้นเหมือนก้อนหินเนี่ยเห็นที่โดนน้ําหยดวันะมะิดมันหน่อยเดี๋ยวมันก็มันก็แตกได้ขาดได้ถ้าเราพยายามไปหาเขาไปทําความดีทําอะไรให้กับเขาอยู่เรื่อยๆต่อไป ความโกรธของเขาก็อาจจะหายไปก็ได้คำถามจากคุณมอลลี่ค่ะเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจด้วยบริกรรมพุโทโธด้วยถูกต้องหรือไม่เจ้าคะก็เป็นวิธีหนึ่งถ้าเราชอบแบบนี้ก็ใช้ได้แต่ไม่จำเป็นต้องใช้สองอย่างก็ได้บางคนใช้ดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้บางคนบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวก็ได้มีมีหลากหลายวิธีด้วยกันวิธีทำสมาธิ ไมม่แบบีแคำถามจากคุณเกสินค่ะขอสอบถามครับถ้าบิดามารดาป่วยเป็นมะเร็งแล้วเรานากัญชามารักษามะเร็งซึ่งทางโลกกำหนดว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายแล้วทางธรรมถือว่าผิดศีลธรรมหรือไม่ครับอ๋อเดี๋ยวนี้ทางการแพทย์เขาก็สนับสนุนให้ใช้รักษาได้ถือว่าเป็นยาไปถ้า ถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แต่ถ้าเราไม่ใช่เป็นแพทย์เราก็ไม่ควรที่จะไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีผลข้างเคียงมีผลเสียหายอย่างไรหรือไม่และปริมาณที่ต้องใช้มากน้อยเพียงไ่ต้องให้ทางแพทย์เ็าเป็นผู้จัด ก, การคำถามจากคุณอ้อยฟ้าใสค่ะหากเราใส่บาตรพระพุทธแทนใส่บาตรพระสงฆ์ตอนเช้า พอได้เยอะแล้วเอามาซื้อของปล่อยปลาบ้างกลับใส่บาทพระตอนเช้าบ้างได้บุญต่างกันหรือไม่เจ้าคะไม่ต่างกันหรอกบุญได้มากน้อยอยู่ที่ปริมาณเงินที่เราบริจาคที่เราเสียสละไปคำถามจากคุณรวีศรีค่ะเวลานั่งเ ว, เวลานั่งเวทนาเยอะมากจะทำอย่างไรหรือดูเวทนาไปเรื่อยๆคะ อย่าไปดูเวทนาให้เราอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการควบคุมจิตใจถ้าอยู่กับลมก็ดูลมไปถ้าพุทโธก็พุทโธไปอย่าไปดูเวทนายิ่งดูมันจะยิ่งทาให้รู้สึกว่ามันเจ็บมากขึ้นมากขึ้นเพราะความอยากให้มันหายเป็นตัวที่ทำให้รู้สึกเจ็บมากขึ้นเองงั้นอย่าไปสนใจพยายามให้มันอยู่กับถ้าอยู่กับลมไม่ได้ก็บริกรรมไปพุทโธไป บริกรรพุโทโธไม่ได้ก็ลองใช้สวดมนต์ไปด้วยท่องอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไปก็ได้อย่างได้่างหนึ่ ง, งดึงใจให้ออกจากความคิดถึงเรื่องของความเจ็บเพราะมันคิดแล้วมันอยากพออยากแล้วมันยิ่งเจ็บพอเราไม่ไปคิดถึงมันความเจ็บมันจะเบาลงจนกระทั่งทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่เจ็บเลยคําถามจากคุณไพฑูรยค์ค่ะคนภาวนาชอบความสงดัด คนไม่ภาวนาชอบฟังข่าวสารฟังเพลงถ้าต้องการอยู่ด้วยกันคนภาวนามักเสียมักเสียควรปฏิบัติอย่างไรครับเมื่ออยู่ด้วยกันครับก็แยกกันอยู่เลยแบ่งห้องกันอยู่เขาเขาอยู่ห้องหนึ่งเราอยู่ห้องนึ่งต่างคนต่างอยู่ถ้าอยู่ร่วมกันมันก็ก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วนะเอ่ อยู่ร่วมกันก็เมื่อไม่ว่าอยู่ร่วมกันแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไปอยู่ร่วมกันทําไมะสู้ยากอยู่ดีกว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าเราไม่สามารถหาคนที่ดีกว่าเราเก่งกว่าเราไม่ดีเท่าเราเก่งเท่าเราอยู่ด้วยไม่ได้ก็อยู่คนเดียวไปดีกว่าเพราะอยู่กับคนที่เท่าเดวเวกว่าเรายากกว่าเรา มันไม่ทําให้เราพัฒนาเะฉั้นเราเลือกอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวนี่เราพัฒนาตัวเราได้คําถามจากคุณอ่อนค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ครับขอกลับเรียนถามว่าผมไปปฏิบัติธรรมที่วัดสามวันครับวันสุดท้ายผมนั่งสมาธิอยู่ร่างกายได้หายไปหมดจิตสงบเข้ามาที่จิต แล้วผมเห็นดวงจิตปรุงแต่งขึ้นมาสองดวงพอดวงที่สามจะมาจิตเกิดทิ้งสภาวะทั้งหมดพอทิ้งแล้วจิตมีพลังสูงมากครับใครจะพุ่งแต่ยังไม่พุ่งครับแต่ยังไม่พุ่งสักพักมีอสะวาเิเลสในจิตตสันดานผมเห็นกกเลสผมมืดดำมากพอความสกปรกดำมืดของจิตขึ้นมาจิตก็พุ่งไปทาลายแทนทีครับ ทำลายหมดเลยหลังจากนั้นจิตก็ลอยตัวสูงขึ้นจนถึงสภาวะที่รู้สึกว่ามันขาดมันพ้นแล้วจิตก็อุทานขึ้นมาว่าจิตหลุดพ้นแล้วไม่มีอะไรต้องกําหนดอีกแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกถึงร่างกายร่างกายกลับมาจิตก็พิจารณาว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นพิจารณาขันห้าพิจารณาไวมากครับหลังจากนั้นก็มีแสงสว่างผุดขึ้น ตรงสะดือครับแล้วร่างกายก็หายไปอีกครั้งแสงสว่างนี้เกิดขึ้นท่วงร่างกายเลยครับจนร่างกายหายไปจิตก็สว่างไม่มีที่สิ้นสุดผมอยู่สักพักก็ถอนออกจาสมาธิครับเดูว่ามันเป็นเพียงนิดต่างๆที่เกิดในสมาธิมันยังไม่ได้เป็นการหลุดพ้นอย่างแท้จริง ต้องมาดูที่ใจว่าตอนนี้กิเลสยังมีอยู่หรือเปล่ายังโลภยังโกรธยังหลงอยู่หรือเปล่ายังกลัวความเจ็บไายได้ป่วยกลัวความตายอยู่หรือเปล่ายังมีความรักยังชอบคนนั้นคนนี้ยังอยากมีแฟนอยู่หรือเปล่ายังมีอัตตาตัวตนอยู่หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้หายไปจากการที่เราไปเห็น นิสิตต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นครับม mm hmm. ันเหมือนกับเราไปดูหนังในโงรงภาพยนตร์ดูพระเอกฆ่าคู่ต่อสู้ชนะสงครามโลกกลับมาคนดูไม่ได้ชนะสงครามไปกับสิ่งที่เราดูหรอกคนดูก็ยังเหมือนเดิมอยู่เพราะคนดูยังไม่ได้เข้าสงครามะจะเข้าสงครามว่าตอนนี้หละ่ะลองไปดูเสีว่ากลัวไอ้โควิดหรือไม่กลัวมันเออตรงนี้ถึงจะรู้ หมดแล้วนะก็พอ <oney S 2> ดีหมดเวลาพอดีสามโมงสี่สิบสี่สี่พ้นนาทีก็วันนี้ได้เต็มร้อยเลยไม่คิดว่าจะได้ถึงขนาดนี้ก็ <aky. S 1> จะเป็นเพราะว่านานๆได้คุยกันสดๆได้ตอบตอบถามปัญหากันสักครั้งหนึ่ง <rồi. S 1> ก็เลยทำให้มีคำถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็หลังลแบบว่าคงเป็นประโยชน์บ้างบ้างไม่มากก็ น, น้อย ที่จะไปช่วยทำให้รักษาใจของเราที่กำลังวุ่นวายกำลังเครียดไปตอนนี้ให้สงบลงบ้างหรือให้สงบอย่าง1้0ยเปร์เไว้ก็ยิ่งดีการแสดงก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่า